ท่านสาธุชนพัฒนบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องดาวถุงดําคําว่าดาวถุงดําหรือ ว, ว่าโลกถุงดําก็ตามใจชอบแต่ก็วันก่อนก็เลยอธิบายไปว่าเมื่อมาถึงโลกนี้แรงพระท่านอธิบายบอกว่าโลกมีกเรื่องทเรียกว่าชีนโลกคือโลกที่มีความชนะชนะโลกต่างๆท่นนี้เพราะอะไรเพราะว่า โลกต่างๆที่เป็นโลกที่มีความเล็กกว่าก็ไหลเข้าท้องจะมีเป็นแถวๆแล้วจะโลกงหลายแล้วมันก็ไม่สามารถจะทำร้ายจะโลกใหญ่นี้ได้มันลอยวนไป็นมาเป็นอาหารช้าหนึ่งใช้เวลาไม่นานนักเจ็บปีแปดปีมันก็ไหลออกมาถ้าจะอธาิบายบอกว่าตามที่ฝรัง เขามีความรู้สึกว่าโลกนี้มันกินโลกกินดาวแลสงสีที่ไหลเข้ามาก็หาได้หมดถ้าบอกความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ไดก้กินวิ่งขึมาในท้องมันเองและพวกรังก็ไม่มีเวลาดูว่าไอ้โลกที่มันไหลเข้าไปมันไหลออกมาเมื่อไหร่ก็ใช้เวลาหลมปีอย่างเร็วที่สุดมันก็ต้องใช้เวลาถึงสามปีอย่างเร็ว อย่างชา้าที่สุดมันอาจจะถึงเวลาใช้เวลาเึ่ร้อยสี่ก็ได้ <c oughs> ถ้ามาไไปติดอยู่วงในก็มอง ว, มว่าโลกนี้ไม่ใช่ดุร้ายหรือว่าเจ้าถุงนี้มไม่ไูุร้ายต่างความเข้าใจของฝรั่งนักวาาิทยาศาสตร์เป็นโลกที่ใจดีมากความจริงต้องคิดว่าใจดีเพราะว่าถ้าโลกไหนวนไปเวียนมาแนากาศแก็จะเมื่อยเข้าก็าามาพักในท้องจมื่น แสงดาวต่างๆแสงสีต่างๆก็เช่นเดียวกันอ น, นุเจ้็มาคุยกันถึงว่าวัตถุที่มีอยู่ในท้องของโลกนี้เอา น, นี้ดีกว่าผิวของโลกนี้ที่เป็นท้องตั้งแต่ปากเข้าไปถึงท้องมันมีความแข็งที่หนามากพระเจ้าบอกว่ามันมีความแข็งนั่นหนาไปสิบสิบเกือบจะถึงรอยโยดแข็งจัดแล้วก็หนาจัดแข็งจัด เพราะตกทางการเผาผลาญจากแสงอาทิตย์ถ้าี่สุดกันจริงๆมองไปเห็นดวงพระอาทิตย์ายนอกข้างบนไม่มีมีแต่แสงสว่างแต่ว่าแสงอาทิตย์ขึ้นไปจากข้างล่างกับทบท้องเจ้ามีก่อนและจริงในหลังไหลก็ไม่คลุมหลังโลกนี้ฟังแล้วก็คิดตามไปแต่ความจริงอย่าลืมว่าหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือนิทาน ที่ว่าจริงๆนี่ขอยืนยันว่าเป็นนิทานจริงๆเรื่องทั้งหมดจริงตามเรื่องของนิทานเท่าไหรว่าท่านบุทใดมีความเข้ามีฟันข้องตัวในหลักโสรที่สองและที่สามของหมดสมถนันจะลองใช้การพิสดุดูก็ได้ยิ้ก็ดีเหมือนกันดีถ้าว่าต้องการความจริงหรือไม่จริง แต่ที่พูดให้ฟังนี่ไม่พูดอะไรใครเชื่อต้องการมาคุยกันแบบประเภทจิตวิว่าเอาเรื่องมาเล่าโศกันฟังแทนที่คุยธรรมะธโมโเฉยๆถ้าคุยธรรมะธรรมโอเฉยๆอย่างนี้มันก็ง่วงแล้วก็ไม่ง่วงก็ลำคาญถ้าคุยเรื่องราวต่างๆอย่างนี้มันก็เพลินดีเพื่อนบ้างลำคัญบ้างตามใจชอบก็มองความว่ามาคุยกันต่อไปติฟซ่าด้วยเชิญชวนชม เราไปชมดวงดาวต่างๆข้างในดีไหมความจรงเวลานี้อยู่ช่วงของช่องปากมองดูรอบๆเจอดวงดาวต่างๆคือโลกต่างๆขอใช้ศัพท์โลกและดวงดาวต่างเขาก็ได้ตามใจชอบเจอโลกต่างๆนและดวงดาวต่างๆที่มันลอยอยู่ข้างในมันลอยอยู่ห่างกันไม่มีการกระทบกันตอนนี้นอกจากดวงดาวคือโลก มันก็มีสิ่งหนึ่งเล็กๆมองดูดูแล้วมันเป็นเครื่องบินมันเป็นเครื่องบินของคนกลุ่มหนึ่งดึนไปมากคนบ้างน้อยคนบ้างไม่จะไปสนสดจนใหญ่เป็นมากๆถ้าตัวเครื่องบินมีจียงด้านด้นดนข้างเป็นกระจกทั้งหมดเห็นคนชัดจเจ้าเครื่องบินประเภทนี้ไม่จะมีกล้องส่องเส้นเกดแล้วเป็นกล้องถ่ายรูปอาจจะเป็นกล้องโทรทัศน์ก็ได้ อะไรก็ตามใจไม่ได้ถามเขาเขาอยู่ในเขาอยู่ในในในปฐมนเทศไม่มีโอกาสพูดกันได้ <c oughs> เขาก็ส่องดูด้วยความพอใจแล้ววิ่งไปใกล้ดวงดาวดวงนั้นบ้างใกล้ดวงดาวดวงนี้บ้างแต่รู้สึกาไปไม่ใกล้นักไม่ไม่ไกลนักก็กลับถ้าจะถามว่าการใช้น้ามันเชื้อเพลิงปเดี๋ยวก็คุยกันได้ที่โน้ น, นะไปบรผุวโลกซะก่อนก็คุยกัน ตอนนี้ก็มาคุยกันในการเข้าชมดวงดาวดาวบางดวงก็มีสภาพขคลกคระมีสภาพแข่งมีผิว ก, ก, กะคล้ายหินแล้วก็มีรังสีมีอะไรออกมาแบบตอนมีออกม า, าร้อนๆนิดๆๆหน่อยเป็นขอนที่ไม่น่าดูแต่บางดวงก็ต้องคิดบางดวงเป็นแสงสว่างในตัวเจ้าดาวที่มีแสงสว่างนี่ส มันก็ช่วยบันดาลให้ช่องท้องเขาจะโลกดํำนี่เขาจะถุงดําไม่เกิดแสงสว่างขึ้นไอแสงสว่างจากดวงดาวก็มันมีอยู่หลายจุดที่โน่นบางที่นี่บางมันมีแสงสว่างในตัวของมันเองเป็นเหตุแค่แ้่ทองเขาจะโลกดําในสว่างพอบางที่จะสว่างมากบางที่จะสลดสลั ว, ลวตามแสงที่ส่งมาแต่ลักษณที่แสงเของเจ้าดวงดาวมันส่องใส่จนไปติดไอ้ผิวของโลก เขาโลกดาดโลกโลกถงดําแล้วดาวถงดำดาวถงดําตรงนี้ในท้องมันบางจุดแล้วก็เป็นแสงแผวกลาไปสงแสงทาให้เป็นแสงสะท้อนกลับมาเรืยกวแสงสว่างแต่ก็แปลว่าดาวที่อยู่ไกลๆเห็นแสงสว่างจ้ามันก็ดวงของไฟฟ้าแต่เข้าไปใกล้ดวงดาวดวงนั้นจริงๆมันก็เป็นหินเป็นดินธรมธรมดาๆก็ไม่เห็นไม่สว่าง แต่ถอยมาไกลพอบางคนเห็นแสงสว่างขวานอันนี้แปลกมันไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไอ้แสงสว่างู่จริงหน้าควรจะอยู่ข้างนอกของดวงดาวเพราะขันไอฝ่ายการเสียดสีกับอากาศให้เปแสงสว่างได้ไงก็ไม่สัตว์อันนี้ไม่เถียงวิทยาศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์เขาได้ใช้พิสูจน์เองจะได้วดวงดาวบางดวงก็มือซั์สินมาก เมื่อลอยเข้าไปแล้วก็พระเจ้าบอกลงดวงดาวดวงนี้เราเดินเที่ยวกันก็เป็นว่าดวงดาวทุกดวงที่เข้าไป น, นั้นไม่มีสิ่งที่มีชีวิตพระเจ้าบอกว่าถ้าจะมีสิ่งที่มีชีวิตติดเข้ามาสิ่งที่มีชีวิตมันก็ไม่ตายทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอากาศมันพอจะสู้กันได้ความเป็นอยู่พอสู้กันได้ แต่เท่าที่ลงไปเป็นดวงดาวแกร่งเดินไปสัมผัสกับหินบ้างสัมผัสกับดินบ้างที่เป็นดินธรรมดาก็ไม่เยอะสัมผัสจะเห็นบ้างสัมผัสกับทรายบ้างไม่ถึงถึงจุดหนึ่งถ้าบอกเอามาือ ล, ลงลงไปดิพอลงองไปใต้ทรายงัดขึ้นมามันเป็นแก้วติดมือมาถ้าบอกว่าที่ใสใสในสุดเพชรแล้วก็ถ้าบางอย่างก็ต้องทุกข์ บางจุดก็ไม่ต้องทุบบางจุดต้องทุบแล้วมันก็เห็นเป็นเพชรแต่ว่าต้องเป็นเพชรประเภทที่เขาจะต้องแซกกลับได้เจริญในแต่บางจุดมันก็เป็นเพชรใสแท้ๆเป็นเม็ด ใ, ใหญ่ๆเพลียวเพลีวเป็นยักษ์เราถานจะบอกว่าอันนี้เป็นสมบัติของคนเป็นสมบัติส่วนตัวงคนก็าฝากไม่ได้ยังไงท่านบอกว่าไม่ใช่ไอหินที่คนเห็นเมื่อกี้นี่แหละ ก้อนจริงมันไม่ใช่หินเพชรทั้งก้อนมันโดยเห็นด้วยกอรอบดังสีใช้งานได้ใช้งานทั้งในด้านสันติเรื่การรบกัรน้บราข้าวฟันแตวร่างกายของเรานี่ที่เรามากร น, นี่มันเป็นร่างกายประเพทืที่ว่าสังสีทำมันอันตรายไม่ได้ใ <c oughs> นขณะที่มันมีเปลือกหุ้มห่ออยู่ทั้งชี้ให้ดูว่าก้อนเนี้ยมันมีสีเคลือบอยู่ข้างนอกสีหมัวมาก ไอ้ตัวเครือบอนี่ในหุ้มรังสีอยู่ถ้าจะใช้งานให้เป็นประโยชน์เป็นพลังงานต้องทำลายตัวเคลือบในีหมดไปแล้วจัดเจียงเหนืองใหม่เข้ามาเครือบแทนรังสีจะไม่กระจายออกและจะออกไปตามที่เราต้องการจะใช้คำถามท่้นบอกว่าในเมื่อมันมีรังสีแบบนั้นแลที่ท่านบอกว่า เพราอาศัยไอ ห, หินประเภทนั้นแล้วก็ที่มาเจักรนเป็นเพชรมันใช้สายทุกคนทําไมที่จะเกี่ยวข้องททกับเพชรชุดนี้ถ้าบอกอันนี้มันไม่ยากในเมืองไทยที่เธออยู่ก็เคยมีอยู่แล้วอย่างที่พบกเห็น <c oughs> หินประเภทนี้ใช้อาศัยแรงงานได้ดีแต่ะเมื่อสภาพมันตายแล้วมันจะกลายเป็นเพชร หลังจากที่เธอเขียนหนังสือรละไม่ตาเสร็จไม่เกินสองเดือนที่ตรงนั้นเขามีคนได้เพชรเธอคนหน้าแต่แกลงของแร่ดีบุกก็เรียกว่าเพชรซีดจะมีน้ําสวยมากเ้านำมาขายที่ร้านค้าที่นั่นนี้ได้ชั้นใดในเพชรจะ่งพวกนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าแร่ประเภทนี้มันไกลสภาพหมดฤทธ์ตายมันก็จะกลายเป็นเพชรตามที่เธอหยุดสมามืกี้นี้ พอฟังท่านอธิบายแล้วก็ดูเพชรพวกนั้นมาสวยจริงๆถ้าเรามาแล้วก็มีอย่างเดียวคือทำให้มันเป็นหัวขึ้นมาจะทำหัวประเภทไหนประเภทไหนได้มันแผวแผวแผวราประยยัยกขึ้นสองนี้มันติดอกติดใจแต่ก็เป็นที่หน้าเส้นใดมาพบไว้งามมาฝันบินข้ออะไรเพราะเวลานี้ตัวอยากมันก็ยังอยากอยู่ แต่ไม่ใช่อยากได้เพชรมันอยากจะมีความสุขสนี่ที่เรื่าไม่ต้องมีอะไรเข้ามาช่วยไม่ต้องมีข้าวมาช่วยไม่ต้องมีกับข้าวมาช่วยไม่ต้องมีขนมมาช่วยไม่ต้องมีเพชรนินญาดาทองหยองมาช่วยถ้ามันจะอยู่เฉยๆย่างมีความสุขอันนี้ชอบอยากตัวนี้มันอยากจะหนละตัวทือที่หน้าเส้นใดไม่สมัยที่ยังนมๆอยู่มีแรง <c oughs> ถ้าพบอย่างนี้แล้วก็เพกับเพชร ทองก็ทองเถอขนกันแน่แล้ต่อมาท่านอดีตเดินพาพาเดินต่อไปท่านก็ชี้ดูว่าจุดตั้งหลายนี้มีทรัพย์สินมีแร่ที่มีคุณค่ามากก็กราบเยี่ยนถามว่าอย่างนี้โลกมนุษย์มีไหมท่านบอกว่ามีหลายจุดมีเหมือนกันแต่ว่าที่นี่เขาอายุยืนยาวกว่าเขาแข็งกว่าใช้ได้ปรโยชน์ดีกว่า เร่ถามได้บอกว่าจะได้ประเภทหนึ่งจะได้ทองคํามีไหมถ้าบอกมีทั้งโลกที่เราอยู่ตรงนี้มันมีเป็นจุดอมืมีเป็นจุดๆมีเป็นหย่อมๆไปดูโลกที่เป็นทองคําำล้วนดีไหมนี่น้นำลายหกไม่ใช่ไหลหกจ๊อกต๊อก เ, เออลยพอท่านบอกไปท่าดยอมรับทุกท่านยอมรับก็ก็เราออกจากโลกนั้นไป แล้วโลกเล็กๆที่อยู่ในท้องในโลกดำาาก็จะโลกนั้นไปไปด้านหน้านิดหนึ่งไม่ไกลนักข้ามโลกต่างๆที่ฝังหน้าไปประมาณรักสามโลกแล้วจะโลกนี้มีสภาพบุมลงไปมันมีแสงขึ้นแสงเหลืองๆอัลามเป็นใกลๆเพืากระทบเก่าแสงสว่างของดวงดาวที่ไม่ไกลนักเข้าไป ใ, ใกล้พอลงไปแล้ว เจ้าทองที่มองเห็นมันเป็นเม็ดทรายไม่ได้เป็นแท่งหยิบขึ้มนมาได้ทันทีเมื่อกองทรายาแต่เราเรมีกองทรายอยู่ไว้กั น, นก็ถามได้ว่าให้โลกนี้มันเป็นทรายทั้งโลกใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเฉพาะผิวจากผินี้ลึกลงไปประมาณสามกิโลเป็นทรายทองทั้งหมดทำได้รอบบริเวณ ถ้าเราบร์เลยว่าสมิ่ก็มันที่อยู่ก็มันจริงเฉพาะจุดนี้ประมาณสิบกิโลเมตรระยะยาวระยะ ก, ก, กว้างประมาณสามกิโลครึ่งแล้วถานว่าที่อื่นที่อื่นก็มือเป็นจุดๆแบบนี้แหละกันเดินกันเรื่อยๆไปดูกันรอบๆเป็นว่าโลกนี้มีทองคํามากก็เป็นโลกกิรเล็กในลานี้ําหนื้ว่าทองคําเป็นกิรเล็ก ใเวลาที่อยู่ที่ดวงเรือดาวนี้ก็ตาหนิว่าต้องคำตกิเล็ดท่านี้เ็าะอะไรเพาะว่าแบกหามหยิบออกมาไม่ได้ใจะใช้ศัพท์แบบทักผ้าประกุลอิมังวัดถังอา ศ, า ศ, าศาัยมิกาโอเปนิเอออิมังส่วนมังอาศายมิการโอเปนิก็าาแปลว่าไงก็ไม่รู้ว่ามันทรงเ ด, ดไป จะถือว่าของนี่มันไม่มีเจ้าของหรือทองไม่มีไม่มีเจ้าของแล้วถือเอามันก็ไม่แน่ก็อาจจะมีเจ้าของก็ได้ถ้าไม่มีเจ้าของจริงๆเราก็เอามาไม่ได้ไอ้มือที่จะหยิบของที่เป็นพระโตก็ไม่เดาไปเป็นที่หน้าเส้นใดที่ปล่อยให้หมอท่านักษาได้แค่ฟันเราดันลืมมือไปซะเนี่ยจะไปไหนต้องเอามือไป กหมอมีหน้าที่รักษาไปรักษาเสร็จฉันจะมือไปด้วยช่วยหยิบทองคำหยิบเพชร ม, มาให้หมอหมอจะไปจับถ้าหมอไม่เอาก็ไม่เป็นไรเขามาแจกเด็กเด็กเด็กเ ด, ด็กที่เลี้ยงดูเวลานี้ก็เกือบสามร้อยคนเลี้ยงด้วยให้เสื้อผ้าผ้าห่อต้อสบายเสร็จเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงให้หันการไม่โพกให้วิชาความรู้ถึงหมอ ถ้ากพาระต่างๆก็มีเยอะวัดก็มีพระก็มีคนการก่อสร้างก็มีเฉะนั้นถ้าบังเอิญเอามือไปได้ทองคํามาได้เพชรมาก็ขายสร้างวัดแต่ว่าไปที่หน้าเส้นใดว่าร่างกายมันก็ายุมากสำหรับคนโลคชมพูมันควรจะแบกมาได้มากฉะนั้นใครที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีกําลังมากๆเพราะร่างกายดีช่วยไปโลกนี้เถอะ ไปขนทองมาแล้วขอแบ่งส่วนแค่หนึ่งเปอร์เซนต์ก็พอตานมน้ำหนักน่าอกินเละท่วมหัวตัวเองไม่พอยุอยชาวบ้า น, นกม็ม่กิเละอีกที่คำว่าคนมันแปลว่ายุ่งไม่ดีแบบนี้หลังจากนั้นไปท่านก็นพาไปชมในสถานที่ต่างๆไปถึงก้นของโลกมันไกลจริงๆถ้าใช้กำลังตาหลบตอิตว่าเวลานี้ใช้กาลังตาเท่าตาเนื้อ ไม่มีความหมายเลยมันมืดตือ้อเขาว่าไม่ไมืดตื้มันหมายว่ามองไปได้สดสายตามันยังไม่หมดสถานที่สถานที่มันกว้างจริงๆการเข้าไปอยู่ที่นั่นมันก็ไม่สภาพมันอยู่ในท้องฟ้ามองดูจากปากไปหาก้นมันด้านบนก็เหมือนกับฟ้าแล้วดีไกล้มากมองไปข้างอเฉดเป็นฟ้ามองตัดหน้าไปถึงฟ้าก็มีฟ้าต่อไป เราขึนไปเห็นท้องฟ้าไปเห็นแล้วก็เหมือนกับเราขึ้นเครบินว่าไม่แต่สูงแสนสูงได้าขึ้นไปแล้วเม่มันก็ไม่สูงเลยแม่ไปก็มีฟ้าสูงมาต่ออะไรอีกก็เลยฟ้านั้งหัวอีกมันก็มีฟ้าซ้อนฟ้าและฟ้าเหนือฟ้าอันนี้มีสภาพฉันใดแม้ในโลกนี้มันก็เช่นเดียวกันเมื่อวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาอยู่พักหนึ่งก็ถามพระแต่ว่าไอยานพานะ ที่มีลักษณะกลมๆได้บินล่อนไปแล้วมานี่ยเขาเรียกจานบินใช่ไหมพระอาจารย์บอกว่าจานข้าวแล้วมันเอามาบินไม่ได้มันต้องร่อนตอนนี้ลักษณะมันคล้ายกับจานแต่มีเป็นญ า, าณพาณนะของคนมองไปทางด้านซ้ายมือเห็นเหมือนเกรือยนต์วิ่งมา แล้วขนาะมันก็เหมือนเหมือนครื่ บ, บินของเราจะรูปร่างหน้าตามันใหญ่กว่ามันโตก ว, ว่ า, ววาเยอะเอถอะะแล้วก็มีปีกไา้บอกที่เครื่องบินของเขามาทุกคนมามากเมื่อถามพระจะบอกว่าคนพวกนี้มาจากโลกไหนท่าบอกไอ้ที่เป็นรถยนต์เปนเครื่องบินเปนคนเขาโลกนี้เองบนผิวโลกน้อยเขามากันแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเขาไม่ได้ใช้นะ้ำมันเขาใช้แกล้ ใช้ดังสีคงแรกขับเคลื่อนเหมือนกับนิวเคลียนะมั้แบบนั้นถ้าใช้เป็นน้ํามันมันก็บรรทุกไม่ไหวต้องใช้น้ำมันกันมากเมื่อชงกันไปชงกันมาอยู่พักหนึ่งเห็นว่าทั่วไปทั่วแน่ไปรอบรอบทั่วแน่ดูไปดูมาก็นึกสงสารเจ้าดาพวกนั้นว่าดาวพวกนี้มันจะกิงข้าวที่ไหนแต่นึกในใจว่าดาวมันเป็นวัตถุ มันก็สินข้าวไม่ได้แต่มันก็ถูกเกือมันลอยเข้ามาไม่ใช่เกินไม่ใช่โดดเขาเลยก็บอกมันเป็นกาลังโดดที่โดดมันจะดวงดาวเข้าไปนั้นไม่ใช่มันเหมือนกับผักที่ลอยผ่านหน้าถ้ำเจอไร่เช่แต่ก็พอดีน้ำไหลวนเข้าไปมันก็วนเข้าไปวนเข้าไปตามน้ำเข้าไปในถ้ำจอไร่เชื่อชั้นใด ดาวพวกนี้ก็เหมือนกันอากาศที่มันเคลื่อนขึ้นขึ้มามันก็ดันดาวพวกนี้เข้ามาใกล้ไม่ว่าอากาศไหลไปไหนดาวก็ไหลาตามไปมันไม่มีเครื่องขับเครื่องไม่สามารถจะฝื้นได้แต่บางดวงก็ใหญ่บางดวงก็มาใหญ่นักแต่ดาวจะดวงที่เราเล็กกว่าโลกก็ไม่ไม่เล็กกว่าโลกมนุษย์ที่เราอยู่กันเพื่อเทียบกันแล้วแต่ดวงไม่เล็กกว่าไม่ต่โตกว่าบ้างไม่เสมอกันบ้างเสมอก็จะน้อยจะโดกตกว่ามันมีมาก เมื่อชงกันพอสมควรก็พระเจ้าชวนบอกว่าขึ้นไปผิวโลกดีไหมก็กเก่าเบียร์จะบอกว่าดีตอนนี้ก็ออกมาจะทางฝา ก, ากมันก็ไม่ยากเก้าเถียงเก้าเดียร์ก็มาถึงอย่าลืมนะว่าเรื่องนี้เป็นนิทานคนฟังทุกคนอย่าลืมสติสมัมปชัญญะอย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นนิทาน นิทานเนี่ยคุยกันแบบไหนก็ได้แบบยาขอบเขียงเขียนเรื่องอะไรพจนาสิทธิพิทก็กเรื่องราวจริงๆของเรื่องจริงมีประมาณสองสมบรรทัดตีบรรทัดสมักับไม่กี่บทกัน้อยแต่ยายขอบแต่งไม่รู้กี่พันหน้าก็เป็นนิทานเหมือนกันอันนี้เรื่องเหมือนกันเรื่องจริงๆก็ไม่ไอ้ดวงดาวดวงดำเปเรื่องนิดเดียวมีเจ้ดวงดาวถุงดําเนี่ย ก็ลือกัไปลีอกัมาพหลั่งมาสองกล้องโดดดาวกัไปต่างๆโดดแสงอะไต่างๆต่างๆเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถจะไหลมันได้มันหายเข้าไปหมดดูสภาพแล้วมันโดดดันน่ากลัวได้เกินแต่ความจริงเจ้าโลกนี้ก็มีสภาพเหมือนกับพระพุทธรูปพระพุทธรูปท่านนั่งเฉยๆแต่ก็ยื้มตลอดเวลาแล้วบางคนไปบ่นบานใส่กล่าวกันเมื่อบุญบารมีของตัวเองกําลังความดีของพระก็ช่วยได้ ก็ช่วยถ้าบนบารมีของตัวมีมีแต่ความชั่วพระก็ชนไม่ได้คนชั่วนห้บนให้ถูกหวยหวยไม่ถูกบางคนถูกหวยไปแก้บนพระพระคุณแต่พระสงฆ์ก็ไม่แก้ช้าบอกหวยจะไม่ได้โดยตู้องค์จนพอถูกหวยจะไม่เซ่ยไม่เซยดังให้ถ้าไม่ถูกด่าไม่ถูกมาอะไรด่ามานั้นถ้าถูกอะไรเงียบมีคัมติอดทนมาก ไม่เบิกขาวางเฉยแม่แบ่งไม่ปันให้นี่พระที่ให้โหยทุกพระน่ะสวยก็แบบเดียวก็จะโลกดํานี่มันเข้าไปแล้วให้เขามีความสุขพักก็ให้มีความไหลอยู่นี่เขาเฉพาะขอบเขต็มันไไม่ต้องไหลไปกว้างนักแต่ว่าจะดวงดาวต่างๆมันจะขอบใจบ้างปล่าก็ไม่ทราบแต่ความจริงมันเฉยแต่มันดวงดาวก็คงไม่บ่นที่เข้าไปแล้วออกมา ถ้าเข้าไปยังไม่ออกมันก็ไม่บน่นไอ้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันบน่นมันห า, าไอ้ดวงดาวนี่ดวงร้ายดวงไม่ว่าอะไรดวงถ้าเข้าเก็บหมดเรืงความจริงทุกเสียงทุกอย่างไหลออกมาตามสภาพเดิมคอยนั่งค่อยคอ ย, คอ ย, คอยไอ้ดวงที่มันออกไวที่สุดเขาเลยปากปากไม่ลึกนะักระทบไี่กระทบนี่เขากลางไม่ได้เขาลึกไม่ได้อย่างเร็วก็สามปีออกไอ้ดวงที่เข้าไปก้นจริงๆร้อยปียังไม่ออก รอมันออกมั่งจ้องมันแบบนั่นจะเลิกจะเห็นว่าดาวมันไหลออกมาได้ก็ลอองความว่าคุยมากเกินไปเขาก็หยับขยายมาทางปากทางออกปากช่องล่องมาข้างนอกลอยไปนิดนึงแป๊บเดียวถึงขึ้นไปทางด้านใต้ของโลกนี้ขึ้นไปขึ้นไปถึสืสอดำดำดำเข้มเล้มแล้วก็แข็ง ต่อไปไม่ใช่ก็พบแผ่นดินดินก็มีสภาพแข็งเครียดยังไม่มีปัญญาต่อไปไม่ช้าไม่นานนักปรเดี๋ยวก็เจอปัญญาล้อมแหลมล้อมแหลมสแสดงว่าความชุ่มคืนเริ่มมีต่อไปต่อไปก็เจอป่าป่าเขียวจะ อ, อุ่มไม่เหมือนป่าประเทศไทยประเทศไทยป่าไม้แห้งแต่ป่าทรายเขียวจะ อ, อุ่มเขียไม่เขียวไม่飒 ถ้าป่าไม่เขียวคนอยู่กลางป่าก็น่าเขียวเข้มงดป่าเขียวมีความชุ่มชื่นต้องลอยข้ามป่าระยะไกลมากก็ต่อมาก็มองเห็นมหาสมุทรเป็นน้ําเขียวอ่อนๆมันบังแล้วชื่นตาชื่นใจไม่เขียวเข้มเหมือ น, นทะเลของเรา เป็นวาหาสมุดกว้างใหญ่ไพศาลมากซึ่งเปง็นอเทศไทยนะแล้วก็มองไปรอบๆไกลออกไปจะฝังมหาสมุทรคอสมควรมันมีเมืองมีเมืองอยู่หลายเมืองตั้งเป็นระยะระยะระยะยมันก็ไกลกันนะระยะแต่ละเมืองไกลกันไม่น้อยกว่าลอยหยดแล้วก็มีเส้นทางถี่ยึดในถนนถี่ยึดมียานาพระมครเรื่องรถนี่แพ้ไปประเทศไทย รถยยต์เขามีน้อยดันนานยิ่งผ่านมาคันทุกทุกสายมองไปในกลางเมืองก็เช่นเดียวกันมองไปแล้วก็เอ๊ะรถมันไม่มากมันนานจะมีมาคันอย่างเร็วที่สุดก็ประมาณทักงสิบนาทีผ่านมาคันยี่สิบนาทีผ่านมาคันคนเดินจะเกลี่กล่นไหมว่าคนก็เดินแต่ไม่เบียดเสียดในพิเศษแม้จะเป็นเมืองหลวงก็ลอยไปเลยมาตามันลอยมันเห็นได้ชัด ขาจึงบอกว่าอย่าเพิเดินลอยไปลอยมาก่อนดูมันซะก่อนรูด้ด้านถิวว่าเราอยู่ไกลๆไม่เห็นชัดดีมันอนกํานา่งเครืองบินลอยไปลอยมาลอยมาลอย ไ, ไปเห็นบ้านเมืองก็มีความสวยสดงามเฉยๆโ อ, อมไม่ต้น ต, ตนไม้แต่มีตึกมีรามสวยๆมากมีทางก็กว้างขวางบ้านเมืองก็เต็ไมไปด้วยความสะอาดขึ้นใจแต่นมกตีเหล็กมันยังมีในใจ ความอยากปรากฏาก็กล่าวเปลียนท้าจัมบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอลงใกล้ๆที่ฝั่งมหาสมุทรได้ไหมท่านบอกว่าได้ท่านถามว่าเธอจะลงตรงไหนก็กล่าวเปลี่ยนท้าจับอกว่าถ้าท า, างว่าท่านเห็นสงควรตรงไหนก็ลงตรงนั้นท่านบอกว่าไปตอนนอนสิหันหลังนิดหนึ่งไปจากนี้ไปประมาณสิบโยธจะเข้าเขตเมืองสามเมืองท่าทของสามเมืองติดต่อกัน เป็นเมืองท่าของเมืองใหญ่ที่ขายของจากเครื่องเครื่องขายของขนของลงเรือทะเลก็เป็นว่าเมื่อท่านสั่งตอนนั้นก็เห็นเช่าโดยเคลื่อนไปตามท่านเดบรนดาท่านพุทธบรรตุ ท, ท, ท่านโปรรับฟังนะพอ่าน <c oughs> เขาก็อยากกายจะไปเมืองท่าก็พอดีหมดเวลาเขาลาก่ร <c oughs> เขาความสุขสวัสด์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผล <c oughs> จงมีแด บ, บัรดาพระเจ้าสาส์นจะชนโปรรับฟังะนะผู้อ่านทุกท่านสวัสดี